พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบห้าลำดับที่27สิบดโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกโวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2556ห้าหหมีชื่อเรื่องว่าความเรียบง่ายนั้นคือสายวัดป่า สมัยเป็นพระหน่อยพระนุมหลวงพ่อขบวไรคืดเอียงแต่พอมาถึงจุดนี้แล้วลูกน้องบริวานคณะสัทธาญาติโยมเขามาเกี่ยวของมันหลายระดับเหลือเกินพราะนั้นเ้าจะปอบบ่าวว่าจะเลยกขบ่ไรกันบ่าวว่าจุกจีๆเกินไปก็ททำให้ลํำค้านผู้ใดยินได้ฟังขึ้นกันแต่ถึงยังใดบ่าก็บว่าอันใดดีกว่ากันบ่าวดีกว่า หลวงพ่อตัดสินว่าเบาดีกว่าเพื่อจะให้เป็นแนวท่างให้ได้ยินสุก ข, ขู่ทุกคนว่าการดำเนินงานของเฮาการก้าวเดินในวัดของเฮานี่ไปแบบไลเดินแบบไลจุดประสงค์ของหลวงพ่อนี่คื อ, อยังสรุปแล้วหลวงพอ่อนี่ยบ่ได้มักยากมักง่ายงาย่ายปู่คนหร่มากเกี่ยวของ อันใดที่เป็นยศถาบรรดาซักลู่ล้าโออาร์ไฮโคนหูจักทางหลายโทฟ้าทั่วแผ่นดินอันนั้นโมแมนแนวความคิดของหลวงพอ่อหลวงพ่อเนี่ยอยู่แบบเหลียบง่ายแต่มันสีดังกรสุดแทมแต่มันสีดังเนี่ยมันสิดับกรสุดแทมแต่มันสีดั บ, ด แ, แ, ตดบแต่ห้าก้าวเดินตามลักท่ำวินัยก้าวเดินตามลักท่ำขั้มสอนของพระพุทธเจ้า ก้าเดินตามแนวทางปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เพิ่นผ้าดําเนินมาเข้าก็ดําเนินไปอย่างที่วัดของเขานะเห็นบอกเอเขาก็บอเคยติดไอหยังต่อไอหยังเข้าแบบอยู่แบบปัดป่าแบบเก่าแก่ดึกตําบรรณสมัยเก่าแก่ดึกดาบันสมัยหลวงพ่อไปกราบลหลวงปู่หล่าหลวงปู่เอ๋อขาวหลวงปู่ต่างๆฮนงะ ก็เป็นแบ บ, บาาวัดเท่าที่เดียวนี้แหละจ้วยล ย, ย่าง gì ละ่ะแบบเงียบเงียบ่ายๆ่ ย, ย่อง gì ะแล้วก็มหาคูบาอาจารย์มีอย่างเปิ้ลกระบอกให้ฟังแล้วก็จบไปเปิ้นกระบอมีสิตีกระโหลกกะล่าเาะกาวอ้วออยังแล้วก็การทาบุญทำด้านคือกันกัเหตุแบบง่ายๆโดยมากก็จเลกระบอมีดีโกนังดีกาดี นิมมนั่นนิมมนี่ดีกาแพ้ขอผาปงผาป่าเอาเหลี่ยไรเพื่อสร้างนั่นเพื่อทับนี่โดยมากเพิ่นกขาบอกคอยมี่อบอมีอ่ในคู่บายจานรุ่นเก่าลงพอก็ได้เบิงเบิงรุ่นเก่าไหววันไปแต่รุ่นใหม่เนี่ยก็เออเอายังหลงตาเนี่ยอันนี้เพิ่นหาทองข้าเขาข้างหลวงคงสุดไทยของเพิ่นเนี่ยอันนี้เพิ่นเพื่อข้างหลวงโมเมนเพื่อเพิ่น เผื่อส่วนร่วมอั น, นเดียเผย์ก็ต้องประ ก, กาศหาอให้หูจักทั่วหนา้าทั่วตากันอันนี้ก็อีกส่วนนึ่งแต่สําหรับของวัดป้าบัญตตาสมัยเก่าแก่เนี่ยก็อบอกมีคี้กันที่หลวงพ่ออยู่น้าเพลนเพราะนั้นหลวงพ่อน่ยอยู่ในสมัยยุกเพลนจุกของหลวงตายอยู่ในความสงบ มักน่อยสันโดดเพิ่นบรได้ทําอ้ยังเิ้นบริได้สางไอ้ยังหลหลาโออาจูแบบรุด น, นันพอลงพอยนันลงพ อ, ออกมาจากรุ่นนัน้นกันลงตาก็ยังพัฒนาเหตุไอ้ยังในรุ่นนันสองพันห้ารอยยี่สิบาอยู่แบบเงียบสงบบรได้สีสางไอ้ยังเหตุยังหน่อยภายในวัด หลวงตาเบิ่งแล้วบ้างอีกขั้นปรอดไรออกนอกลูกนอกทางกระดาเลยแล้วเนี่ยไปเผอๆไล่หนีออกจากวัดอีกตัางหา ก, กว่ะนะเพราะนั่นอยู่ในความสงบพวกเข้าอะไรงี้ยมาเทศกันที่ย7เจพศองพนร้ยี่สิ็ดที่บดาพระดูใหไพระยังเป็นกระทั่งทุกมือนี่ที่ไหวผ่าเน้น ช่วงเลยก็เป็นชว่วงส่างกอส่างภายในวัดของเพิ่นนี่แหละเริ่มแรกจากนั้นเพิ่นก็กส่างมาต่างๆทั้งนอกมีไอ้ยงังนี่แหละเริ่มตอกก้อนติดจากหันไปวัดก้อนจากรหันก็คือหลวงพ่อยุธนเพิน่นในเมื่อหลวงพ่อยุธนเพิ่นในยุกแหลกหลวงพ่อก็เลยศึกษาในยุคแหลกที่อยู่น้ำเพิน่น เปิลผ้าเห็นยังไงก็ยังทีเนะี่ยพวกเข้าเห็นนี่แนหะเนี่ยแต่ว่าหลวงพ่อยึดแนวแถวของลวงตาเนี่ยไว้มากที่สุดในช่วงนี่ที่เห็นเห็นนี่นะ่ะแต่ว่าต่อไปพ้าภากหนานั้นหลวงพอก็รับรองรับประกันบ่ได้อีกคือกันพอหลวงพออายุมากแล้วลูกหลานพระเน้นกับเขามากหลายมูหลายขณะดหลายกลุ่มหลวงพ่อเองก็อาจจะเข้มงวดขวดขันหรือว่ากัน ดูดาวากาวเรือวการขันเขาในระบบระเบียบหลวงพออ่อก็คงจะเถ่าแก่ชะล่าขึ้นกันกับพ่อแม่คู่บ่ายจานหลวงปู่หลวงตาแล้วแต่ลูกร้านที่พาเหตุพาถ้ำเนอ้อเอาจังไอืรแต่ก่อนใหม่ๆที่หลวงตาเรื่องที่หลวงพ่อมาอยู่เน่ะหลวงพ่อพาเหตุจังสี่ละเน้อไอ้พาเหตุจังสี่อย่างที่หลวงพ่อพาเหตุมาเน้อแบบนี้ล่ะ และพวกศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนที่เขาม้ากเกี่ยวของกับหลวงพอ่อก็คงจะเห็นตั้งแต่เขามาเห็นก็เป็นนึ่งสี่การอยู่การชันการเขาม้ากเกี่ยวของกับหลวงพอ่อตลอดถึงผ่าเน้นอยู่ในวัดหลวงพอ่อปัดกวาดทำความสะอาดแล้วก็มีการไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนาของภัยของมั่นอดอาหารภาวนาของใยของมั่น อยู่ในความสงบขั้นบ่มีหยางกะเงียบกะปีเนึ่ยกะมีงานกะทินอย่างมากกับงานกะทินงานวันเกิดหลวงพอ่อจากนั้นก็มีงานบางปีก็มีงานทําบุญร่วมญาติที่หลวงพ่อพูดขึ้นแต่พอต่อมาปีสองปีหลวงพอ่อเอองานทําบุญร่วมญาติออกมาร่วมในวันเกิดของหลวงพอ่อจะนะพ่อวา่าหลวงพอ่อ มีงานภายนอกมากแต่างงานหลวงตาก็ไม่รู้ว่างานใดต้องงานใดงานหลวงปูหล่ะงานคุณแม่ชี้แก้วงานหลวงปูจามมีมากม้เพราะนั้นงานบัดเท้าควรจะลดลงอันนี้หลวงพ่อก็มีแต่งานกระถิ่นกับงานวันเกิดเท่านั้นแหะที่เป็นงานที่พวกเข้าใดนักหนาสาหัดนักหนาสากันพ่อสมควร คนมาเกี่ยวของมากกันนอกด่านกับผมมีอยู่ในความสงบก็มีแต่วันธรรมดาแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์น่านที่พวกศรัทธาแยดนุ่มจะมาเกี่ยวของแต่หลวงพ่อกับพระชายามถึงจะมาเกี่ยวของขนาดใด ก, ก็เถิดกับพระชายาบหาอยู่ในบริเวณสาลาปฏิบัติธรรมเพราะนี่บอยเขาไปจุนจานวุ่นไหวพ่ายในพระสง์ อยู่เพื่อปฏิบัติภาวนาของไปของมั่นแต่ว่าผู้บาภาวนาก็บาว่ากันล่ะแต่ภูที่ภาวนาเนี่ยต้องการความสงบก็อยู่ในอยู่ในวัดทังหลังวัดหลวงพ่อเขาพยายามกีดกันบวให้คนเข้าไปเพเผ่นผ่านบุญไหว้อันนี้เทากัหลวงพ่อเองก็ยึดแนวปฏิปทาขององหลวงตาขึ้นกันหลวงตาเพิเ่นก็บวชให้ไพ่เข้าไปจุนจานบุญไหว้ภายในวัด มาหอดซาลาเขมาหาเพลินเลยก่ไล่ออกมัดพอมาหอดเมีย่ยงอออกไปบโให้เข้าไปคุยคุกคลี่กับพระฝ่ายพระทางนั่นขันมันคุกขี้เข้าไปเลยแต่ถ้าให้เสียหายขาดคว่ำสงบผภ า, ายในวัดผู้นึงคุยผู้หนึ่งไปภาวนามันก็บอดได้เพลินเพลินจึงโบหฮเข้าไปใกล้ฝ่ า, ายเขตสงฆ์นี่แหละ อันกหลวงพ่อเขาพยายามกีดกันสำหรับวา้พี่น้องศรัทธาญาติโยมพีมากเกี่ยวของป้อ้เขาไปจุนจานบุญไหว้กระเพะและก็พร้อมกันหลวงพ่อเองก็เข้าไปดูบางที่กันเดินเข้าไปไปตรวจตราดูภายในวัดความพมร้อมหรวอสถานที่ผมหลวงพ่อว่าสัปปายะย่างมาก สำหรับผู้สนใจไฟธรรมะผู้สนใจในภาคปฏิบัติผู้สนใจในจิตภาวนาจะไปลบอยู่ในมุมหรกระไดภายในวัดของเห้าเพราะมีกำแพงล้อมรอบความปลอดภัยบ่อยขู่ขนทั้งหลายภายนอกปฏิมากเกี่ยวของเอออันนี้ก็ความปลอดภัยอันดับหนึ่งอันดับที่สองออกุฏิกระยูห้างกันอีกต่างหากออแล้วกันน้ำกระสะดวก ในห้องน้ำห้องตาจะไปภาวนาอยู่กุฏิลงังใดห้านลางังใดไปภาวนาอยู่มัดมือมัดเว่นก็ได้บ่เห็นหนาคตรบ่เห็นบาา่เห็ผู้ใดไปใกล้เลยกได้เพราะมันกุฏิมันห่างกันอันนี้ก็เป็นสถานที่หลีกเล่นสําหรับผู้สนใจภาคปฏิบัติกิจภาวนาเว่นเสียจะผู้ผู้สนใจภาวนานะเนื้อเอือนกบว่ากันไปยุไสกันนะั่น อนางไปคุยกันยางไปคุยกันอีกต่างหากเพอเผอรยังฟ้าฝืนกดระเบียบอีกต่างหากหลวงพ่อวาอยาหายมีโทรศัพท์เธอภายในวัดก็ยังมีโทรศัพท์คุยออกไปทั้งนอกอีกต่างหากสิ่งเราหนิสิ่งมูหนิมันก็สุดแท้แต่ผู้ที่สนใจสนใจเพื่อการศึกษาเพื่อการปฏิบัติสําหรับผู้ที่เขามาศึกษาเพื่อเขามาปฏิบัติธรรม กันมาภูมมาปฏิบัติถ้ำก็บยังทีหลงพอได้พูดได้กล่าวนั่นแหละให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติสถานที่วัดเท้านี่เป็นสถานทีสัปปาย ะ, ะพูดนเอเสนาสนะสัปปาย ะ, ะแล้วก็พระย่ามาให้บุคคลปุคขะสัปปายะนะบุคคลให้เป็นที่สบายอีกอแลว้วก็อาหารสัปปายะ เรื่องอาหารหาเข้าก็เลือกชั้นใดว่าต้องการชั้นประเภทดใดก็บ่มีปัญหาแล้วก็อุตุสปายะ อ, อากาศในวัดเท่าก็พอถึงกับพรอนมากถ้าเปียกเทียกก็พรอนมากหรือ น, น้ําวมากแล้วก็เครื่องอํานวยความสะดวกในวัดของเขาก็พร้อมที่จะอํานวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติธรรม กับผมมีปัญหาเพราะนั้นเรื่องคืออํานวยความสะดวกในการลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเองก็อํานวยความสะดวกให้คับผู้ที่สนใจไฟในการประพฤติปฏิบัติเ็นเสียแต่สำหรับตัวของท่านเองท่านพร้อมขนาดไหนท่านจะทุ่มเทขนาดไหนท่านจะสนใจขนาดไหน ท่านหวังมีความมุ่งหวังมุ่งมั่นในจิตใจของท่านขนาดไหนนั่นแหละตัวของท่านเองถาาว่าท่านเขามากอยู่ในพุทธศาสนาพ่อมากบางนาจะซื้อร้อยๆซื้พอพราะหาอยู่หากินซื้อพ่อมาผดมาหมูมาคุยซื้อไม่ได้มุ่งมั่นมุ่งหวังหาทางพ้นทุกที่ชำระใจของตัวเองให้พ้นทุก ในวัตะสงสารอันนั้นมันก็มันเป็นแต่ละส่วนบุคคลพระนขอฝากเปิกับพวกเฮาทุกขู่ทุกคนนั่นะทั้งปู่แต่งินทั้งคณะศรัทธาญาติโยมด้วยทั้งไฟพระสงฆ์นองนองุนง่งทั้งหลายด้วยตลอดผู้อยู่ในวัดปุปฏิบัตริรรมในวัดด้วยนะแล้วก็พ้อกันหลวงพ่อเองก็ยัง ที่จะออกไปช่วยการช่วยงานลงปูข้านี่ลุงพอ่อคงจะถามว่าผู้ใดผู้เทาผู้ตีขับรถขับล่าได้บางที่อาจจะได้ขอไปเป็นโชเฟอร์ทรงคู่บา่าทั้งายพุนก็ได้ผู้ใดบางนะบางนะเบิ่งกันใบนะอย่างผู้ใดที่พ่อที่จะไปได้อาจจะไปเป็นโชเฟอร์ขับรถ ทรงคู่บาแต่หลวงพอนะ่อเนี่ยยังคิดสองจิตสองใจขึ้นกันอาจจะไปพักวัดหลวงปูจําจักชวนระยะหนึ่งจากนั้นอาจจะออกไปพักข้างนอกเพราะหลวงพอ่อยุมากเลยด้วยบุญไหว้ทุกจิกจูจีบุญไหว้เสียงสดั่นบันไหวมันบ่สะดวกมันบ่สบายะสําหรับหลวงพอ่อ หลวงพ่อเนี่ยเป็นพระปาทั้งดุนอย่างที่หลวงพ่อประกาศแล้วบอกอีกนะเป็นแน่นก็เป็นแน่นอยู่ในปาอออกมากกัมาอยู่ในปาหลวงพงไพ่พอมาอยู่วัดหลวงพ่อเห็นไหมหลวงพ่อก็อยู่เงียบสงบ อ, อมีอย่างกันนะั่นนะโมเมนส์ีคุกขี้บุญไหว้ทั้งวีทั้งวันโบแมนเอเวลาไหนควรจะพบกับขูข่ค้นคำนว่าขู่ค้นที่เขามากเกวของหูจักมักคุณกันอยู่กับ บอ า, าไปเลยเอากลับคันนาวะคนทางไกลมากคันนวะเฮ้าสิบอาพ่อหน่อยๆไล่เขาไปเลยจักจังไดเขาบากหนาบากตามาจากต่างจังหวัดต่างากรุงเทพต่างประเทศมากเฮ้าก็ต้องได้ฟังคุยกับเขาสนทนาปาลบกับเขาอันนี้คือเป็นมนุษย์สัมพันธ์เฮดจังไดล่ะแต่หาว่าผู้ที ไปมหาสูขันอยู่คือเอามีหยังเขาบอกๆกันแล้วก็จบๆไปเลิกๆกันนี่แหละอันนี้เลตอนใบสองทุกวันลงพ่อลงมากตอนฉั้นยังหันเช็จเลยค่ะเอาไปอยู่ในความสงบพักพรตามมัทธย่าสายภาวนาพอตอนบใบขึ้นกันมีหยังเขเอาคันโมมีหยังขยางเปลี่ยนอริยาบทพักพรอนนี่แหละ นั่นเก็คือเฮ้ากับบรมนิจวงพ่อเองข้บบมนิเจ้าหน้าเจ้าตาเจ้ายศเจ้ายางบมนิอมุ่งหวังโลกท้งโลกโลกมันเป็นอยู่จังสี่หละแต่เฮ้าต้องเบิงเฮ้าเฮ้าต้องอยู่ถึงจังได้ก็ตามต้องอยู่ในหลักประทรบิีหนคือกันกับเกือนะ ไปตกอยู่ในเมืองไดประเทศไหนเกิดรักษาความเข้มของตนเองไว้ให้ น, นีขคือกันเฮ้าจะอยู่ในสถานะไหนอยู่ในเวลาไหนจะไม่เป็นพระหน่อยพระนุ่มพระปูนกลางพระเถ่าพระแก่ต่อไปผ้ายภาคหนาเฮ้าก็ต้องพยายามรักษาเกลือความเข้มคือรักษาคุณงามความดีไว้อยู่ตลอดและเสมอไปนี่แหะอันนี้ก็คือภายนอกนะส่วนภายในอีกส่วนหนึ่งนะ ส่วนภายในของแต่ละท่านแต่ละคนอันนั้นก็พยายามทําคุณงามความดีสั่งสำหรับ จ, จิตใจกายสำหรับใ จ, จของตัวเองนั่นแหลมจะไงจึงจะพ้นทุกโดยเร็วจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเห็นไหมล่ะประเทศฟิลิปปินส์เมื่อกี้เห็นเขาตายแะ้วเป็นยังไงถ้ามาเจอกเผาลนะ่ะคันาวา พวกเฮาเกิดมาในโลกเนี่บอพบได้ก็ต้องฉาตินึงละ่ะจะต้องเจอจังสันบอแผ่นดินไหวกับสินนามิสินนามิกันั่นละ่ะดินฝ่าอากาศผ่ายุดถลม่มสิ่งที่บอพึงปรารถนาเพอเผื่มนุษย์ตอมนุษย์ขากันอีกต่างหากคือสงครามอีกต่างหากระเบิดนั่นระเบิดนี้ต่างหากนี่แหละเกิดมาในโลกนี ถ้าบกเกิดมาในดีที่สุดชําระใจให้บริสุทธิ์ลุดพ้นอย่างที่พระพุทธเจ้าพระละหันตรสาูกทางหลายชําระใจชําระกิเลสโลภโกรธหลงใน้ใจจิตใจบริสุทธิ์รุดพ้นเข่าสู่ในผ่านนั่นแหละเลิศประเสริฐพวกห้องคนจะหวังจังสันละ่ะบกควรจะหวังมาเกิดในโลกเนะี่ยมาเกิดในโลกก็ไม่ได้นะได้นาได้ตาได้ไปยัง ได้แล้วไปเป็นยังไเอได้นาได้ตาลเป็นยัง ไ, ได้ลราไปเหตุยังไงผมนึกถึงเผาไฟถิ่มมัดทุกคนเห็นหมดละอพระพุทธเจ้าพระราหันตสาบกอพอแม่กู้บ่ายจานหลวงปูหลวงตาของเห่าเห็นหมดหลวงตาของเห่าอลเกิดมีซื่อมีเสียงเข้าลบกับไหวสักลาปูชาแต่ถึงอย่างไงผเกิดจุลล่าโลกจุตินิรพานอ ไปมัดแล้วพวกเฮาล่ะบะเนี่ยพวกเฮาจะอยู่โซฟาดินจะได้อยากได้นาได้ตาจิงสันเชิดหนาสู้ตาอจิงสันไหมอมกนาบ่านาจะเป็นหนคือกันขึ้นกัยพวกเฮาทุกคนนะอยู่ใสอย่าลืมตัวอย่าหลงตัวอย่าลืมตัวให้ประกอบคุณงามความดีอยู่เสมอสม่าเสมอ น, นั่นแหะเลิศเปรศด น, น, นะรับ พ น, นบัรนี้นี่อนุมทนาหายพ้น